บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะในการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเนื่องจากวันนี้ทางวัดประวรณิเวศวิหารได้นำเอาจิตภาวนาพุทโธเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีเข้ามาสมทบกัน เพื่อเชิญชวนให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้น้อมจิตรำลึกถึงคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้วบำเพ็ญจิตภาวนาถวายกุศลสวดนี้แดชพระองค์ท่านเพื่อมีประชนมาายุยิ่งยืดนานสืบไปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั้นเป็นผู้มีบุญพิเศษ ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยพระทรงก้าวขึ้นมาจากความเป็นสามัญชนธรรมดาและได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมาโดยลําดับจนเป็นพระรา ช, ชนนีของพระเจ้าแผ่นดินถึงสองพระองค์ซึ่งไม่มีสตรีคนใดที่เป็นสามัญชนในประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ตำแหน่งฐานะเหล่านี้ และนอกจากนั้นทรงสมบูรณ์ด้วยโลกธรรมฝ่ายที่น่าปรารถนาคือลาบยศสันเสริญสุขและสมบูรณ์ด้วยพรซึ่งคนต้องการปรารถนากันได้แก่อายุวันนะสุขละตลอดถึงยศและบริวารการที่เป็นเช่นนี้ได้แสดงให้เห็นถึงบุญญาธิการที่ได้ทรงสังสมบปรณ์มาในอดีตชาติ และที่ทรงสั่งสมบรมอยู่ในปัจจุบันขณะนี้แม้มีประโชน์มาอยุถึง80พันศาแล้วก็ยังมีพระมหากรุณาเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดานแม้มีคนขอร้องให้หยุดพักพระทรงชรามากแล้วก็รับสั่งว่าฉันยังหยุดไม่ได้ประชาชนยังยากไรยอยู่ซึ่งเป็นพระดำรัสที่สัตว์จากประเทศไทย อันประกอบด้วยพระเมตตาเป็นมิ่งขวัญของประชารชานที่ให้ความอบอุ่นชื่นใจปลอดโปร่งใจเมื่อได้ประสบพบเห็นพระองค์พระองค์จึงชื่อว่าเป็นเทวะผู้ประเสริฐโดยธรรมในความหมายของพระพุทธศาสนาพระบุมีพระภาคเจ้าทรงแสดงเทพหรือเทวะไวเป็นสามชั้นด้วยกันชั้นแรก เรียกว่าอุปปาติเทพคือเป็นเทวดาโดยกาเนิดได้แก่ผู้ที่อุบัติบังเกิดด้วยแรงแห่งกุศลกรรมแล้วได้เป็นเทวดาในพบในชั้นนั้นๆันประการที่สองเรียกว่าสมติเทพคือเป็นเทวดาโดยสมติได้แก่ตำแหน่งฐานะของพระราชามาหากษัรย์พระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นคนพิเศษกว่าสามัญชน ในชาตินั้ น, น, นและวิสุทธิเทพเทวดาโดยความบริสุทธิ์หรือเทวดาโดยธรรมโดยความหมายที่เต็มรูปจรงิงๆนั้นวิสุทธิเทพหมายถึงเทวดาที่มีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงได้ แ, แก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจก พ, พุทธเจ้าและพระอราหันต์ทั้งหลายแต่ว่าโดยนัยะที่ลดหลั่นลงมานั้นหมายถึงผู้ที่ประกอบด้วยเทวธรรม คือธรรมะที่ทาบุคคลให้เป็นเทวดาก็ได้ชื่อว่าเป็นเทวดาโดยธรรมในความหมายนี้ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับอภิรักิจการพิเศษที่ปรารภวันเฉริมประชนภพรรษาของสมเด็จพระศกกรีนครินทราบรมราชชนีซึ่งจะมีในวันที่21ข้างหน้านี้จะได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติในส่วนที่เป็นอนุสติข้อเทวดานุสติ คือการน้อมจิตระลึกถึงคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นเทวดาการปฏิบัติกรรมฐานข้อนี้เรื่องอื่นๆก็เป็นเช่นเดียวกับการปฏิบัติตามหลักของอนาปานสติกรรมฐานเป็นแต่ท่านสอนให้บุคคลน้อมใจระลึกถึงธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาว่าบรรดาเทพเจ้าทั้งหลายซึ่งอุบัติ ในภพภูมิต่างๆนั้นท่านเกิดขึ้นด้วยแรงแห่งกุศลกรรม5ประการคือศรัทธาศีลสุตะจาคะและบัญญาติแล้วก็น้อมจิตรละลึกถึงธรรมะทั้ง5ประการเหล่านั้นโดยพยายามทำความเข้าใจอาธิบายเนื้อหาสาระแห่งองค์ธรรมทั้ง5ประการเหล่านั้นให้ถ่องแท้ข้อแรก คือศรัทธาความเชื่อนั้นได้แก่ความผ่องใสที่บังเกิดขึ้นภายในจิตน้อมจิตลงไปเชื่อในวัตถุบุคคลหลักการที่ควรแก่การเชื่อถือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะของพุทธศาสนิกชนนั้นก็ให้เชื่อถือในคุณของพระพุทธเจ้าตามนัยยะที่สวดกันทั่วๆไปว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้จัดสรูด้ดีจัดสรู้ชอบด้วยพระอเองทรงสมบูรณ์ด้วยวิชาความรู้และเจรณะความประพฤติทรงเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นและปลุกบุคคลอื่นให้ตื่นเป็นผู้จำแนกทำหรือผู้มีโชคดังนี้ เมื่อบุคคลสามารถน้อมใจให้เชื่อในคุณของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่านาวหาลคุณทั้งเก้าได้แล้วพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้มีความเชื่อถือบังเกิดขึ้นภายใ น, ในใจเช่นเดียวกันและใจของบุคคลก็จะน้อมไปเชื่อในคุณของพระสงค์เพราะว่าพระรัตนตรัยนั้นต่างกันแต่ชื่อเท่านั้นเองแต่โดยเนื้อความแล้ว ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งพระธรรมพระธรรมคือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์คือหมู่ชนที่ศึกษาปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติขัดเกลาปฏิบัติสมควรตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแสดงไว้และเมื่อศรัทธาอย่างลง มั่นคงในคุณของพระตนตรัยเช่นนี้ศรัทธาก็จะบังเกิดขึ้นในใจศิรษาอันเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติขาดเก่าในทางพระพุทธศาสนาคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาผู้ที่มีศรัทธาบาังเกิดขึ้นในลักษณะเช่นนี้ก็จะมองเห็นโทษของบรรดาบาปอกุศลทั้งหลายมีความโกรธเป็นต้นแล้วเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อบรรเทาความรู้สึกเหล่านั้น ประมองเห็นประจักษ์ด้วยปัญญาของตนว่าความโกรธนั้นเปรียบประดุดสนิมสัตราในโลกธรรมดาสนิมนั้นเกิดขึ้นในศาสตราใดก็จะกัดกร่อนสัตรานั้นเหล็กเหล่านั้นให้สึกกร่อนลงไปจนเสื่อมเสียคุณภาพใช้งานไม่ได้เจิญใจของบุคคลที่ถูกสนิมคือความโกรธกัดกร่อนก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนนั้นเมื่อศรัทธาและสภาพจิต เป็นไปได้ในลักษณะนี้ผู้ปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าถอนตะปูตรึงจิตของตนออกไปได้การประพฤติปฏิบัติเพื่ฝึกปลือในด้านกายวาจาใจของบุคค ล, คคลก็จะดำเนินไปตามคันลองแห่งธรรมที่ทรงสดแสดงไว้และข้อต่อไปก็คือศีลก็จะบังเกิดขึ้นคำว่าศีลนั้นได้แก่กุศลในเจตนาที่บุคคลมองเห็นโทษ ในการประพฤติละเมิดต่อทรัพย์สินร่างกายของบุคคลอื่นเป็นต้นแล้วพยายามงดเว้นจากการประพฤติกระทำเช่นนั้นควบคุมกายควบคุมวาจาของตนให้เป็นปกติคือไม่มีการกระทำคำพูดในลักษณะเบียดเบียนประทุษร้ายบุคคลอื่นจะทำให้บุคคลสัมผัสผลคือความส ง, งบเวน้นส ง, งบภยัยมีความเยือกเย็น กายใจเป็นผลที่ปรากฏประจักษ์ชัดศีลนี้เป็นคุณธรรมเบื้องต้นเป็นภาคพื้นเป็นฐานแห่งความดีทั้งหลายซึ่งเป็นการพิสูจน์ถึงความมีศรัทธาของบุคคลดังีิกล่าวแล้วว่ามีศรัทธาจริงหรือไม่เพราะถ้าหากว่ามีศรัทธามั่นคงจริงแล้วศีลก็จะเกิดขึ้นดำรงอยู่มีส่วนในการสร้างความสงบจากเวรภัย ให้เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลนั้นๆและประการที่สามคือสุตะได้แก่การศึกษาการสะดับจับฟังด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะด้วยการฟังการอ่านการสนทนาการสอบถามหรือแม้แต่การพินิจพิจารณาธรรมก็อยู่ในส่วนของสุตะเหล่านี้หลักการฟังในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่า เป็นอุดมม ง, มงคลประการหนึ่งในชีวิตของบุคคลแม่การสนทนาธรรมก็จัดเป็นอุดมมงคลเช่นเดียวกันการฟังธรรมะที่จะก่อให้เกิดผลอย่างแท้จริงนั้นทรงแสดงไว้ว่าผู้ฟังจะต้องมีประสบการณ์ตรงในด้านประสาทสัมผัสคือได้เห็นมากได้ฟังมากเป็นต้นและสามารถทรงจำเรื่องเหล่านั้นเอาไว้ได้ เรื่องบางเรื่องที่เป็นหลักเป็นกฎเกณฑ์เป็นหัวข้อสาคัญแห่งองค์ถามนั้นๆก็ต้องพยายามจดจําทรงจําไว้จนถึงกระท่องได้และจะต้องนําธรรมะทั้งหมดคือในส่วนที่ทรงแสดงว่าให้กําหนดรู้เอาไว้หรือในส่วนที่ทรงแสดงว่าต้องละและส่วนที่ทรงแสดงว่าจะต้องน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติเข้าไปเพ่งพินิษพิจารณาตรวจสอบดู ว่าส่วนที่ทรงแสดงว่าเป็นโทษนั้นเป็นโทษจริงหรือและอาจจะยกตัวอย่างนิทานบุคคลขึ้นมาชี้ให้เห็นว่าเรื่องเหล่านี้เป็นโทษอย่างแท้จริงเพราะการพิสูจน์ทดสอบธรรมะในช่วงนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประกาศในท่ามกลางบริษัททั้งหลายซึ่งเป็นหมู่นักปราดราชบัณฑิตเป็นนั้นมากว่าธรรมะอันใดที่ทรงแสดงว่ามีโทษ แกผู้ประพฤติปฏิบัติตามถ้าหากว่าธรรมะเหล่านั้นไม่มีโทษแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามจริงแล้วพระองค์ก็จะไม่ยืนยันความเป็นอรหันตสมมาสัมปุทธกษ์ของพระองค์ในส่วนที่เป็นกุศลธรรมก็ให้นํามาเพ่งพินิจพิจารณาเช่นเดียวกันว่ากุศลธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าอํานวยประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติ มีการสงบเวรสงบภยัยสงบใจสงบจากเพลิงทุกข์และเพลิงกิเลสนั้นสามารถสงบได้จริงหรือ <c oughs> ซึ่งในกรณีนี้อาจจะยกธรรมะข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาคิดก็ได้เช่นยกขันติความอดทนสุรจักความสงบสงเงียบหรือว่าสติความนลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวที่ทรงแสดงว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนั้นลองตรวจสอบพินิพิจณาดูว่า เป็นธรรมมีอุปการะมากจริงหรือถ้าเราขาดสติแล้วจะเป็นยังไงถ้ามีสติแล้วจะเป็นยังไงเป็นต้นเมื่อได้เพ่งพินิษพิจารณาโดยในยะนี้แล้วบุคคลก็จะเห็นอานิสงส์แห่งกุศลธรรมจังหลายจะเกิดฉันทะอุตสาหะในการน้อมนํากุศลธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติและในส่วนที่เป็นอกุศลก็จะมองเห็นโทษปรากฏเด่นชัดในเรื่องอกุศลเหล่านั้นไม่ว่าจะเล็กน้อยก็ตามเพราะว่าบาปนั้น บุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าเล็กน้อยเช่นเดียวกับอัสรพิษบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าตัวเล็กเพราะถ้าหากว่าอัศรพิษเหล่านั้นกัดเข้าก็อาจจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้บาปจึงบุคคลเข้าใจว่าน้อยก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันและข้อต่อไปก็คือเรื่องของจาคะความเสียสละซึ่งเป็นเทวธรรมอีกประการหนึ่งคำว่าเสียสละนั้น หมายถึงเสียสละในรูปวัตถุพัสดุสิ่งของด้วยจิตคิดอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นเป็นที่ตั้งจิตที่เสียสละในลักษณะนี้เป็นเรื่องของจิตที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาปรารถนาประโยชน์เกื้อกูลแก่บุคคลผู้นั้นการสละบางอย่างเป็นการสละเพื่อบูชาคุณงามความดีของผู้รับเช่นการสละบำรุงศาสนาสภากาชาติเป็นต้นนั้น เกิดขึ้นด้วยความกตัญญูกตวเวทีเกิดขึ้นด้วยความสํานึกว่าสิ่งนี้เป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็เสียสละวัตถุพัสดุสิ่งของเหล่านั้นออกไปและโดยความหมายอีกประการหนึ่งนั้นก็คือการเสียสละอารมณ์ที่เป็นค่าศึกต่อความตั้งใจดีของตนซึ่งเรื่องเหล่านี้ผู้ปฏิบัติศึกษาอาจจะสวจสอบภายในจิตใจของตนเองได้ว่า ขณะใดที่ปรารภจะกระทำบุญกุศลอย่างใดจางหนึ่งมีการบำเพ็ญสมถกรรมาฐานการไหว้พระสวดมนต์เป็นต้นนั้นจะมีอารมณ์ประการหนึ่งเข้ามากระสิบกระซาบใจคอยห้ามปรามคอยกีดกันคอยบอกกล่าวให้บุคคลละเว้นไม่กระทำความดีเหล่านั้นผู้มีปัญญาจะต้องตรวจสอบจะต้องพิจารณาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นมารเป็นบาปเป็นอกุศล เป็นตัวประสักขัดขวางความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของตนแล้วไม่ยอมสยบต่ออำนาจเสียงกระซิบเหล่านั้นพยายามทำงานไปตามเจตจำนงของตนให้ได้เมื่อทำไปได้แต่ละครั้งจะเพิ่มความเข้มแข็งขึ้นภายในจิตใจของบุคคลกิเลสมารที่มากระซิบถ้าหากว่าไม่มีกำลังจริงๆก็ชนะได้ทุกคราวไปการสละอีกประการหนึ่งนั้นเป็นการเสียสละ เรื่องของกิเลสความไม่ดีทั้งหลายจาคะในความหมายบางแข็งจึงกลายเป็นวัยพน์ของนิพพานอย่างที่ทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกับประวัตนสูตรว่าการที่บุคคลสำรอกตัณหาออกไปจากจิตใจจากโกคือการสละตัณหานั้นได้ก็เรียกว่าเป็นนิโรธหรือเป็นนิพพานนั้นการสละกิเลสในแต่และช่วงแต่และขณะ ที่บุคคลปฏิบัติได้จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อดับกิเลสและดับความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆเมื่อดับได้ไปบ่อยเข้าช่วงระยะเวลาที่จะปลอดกิเลสปลอดความทุกข์ก็จะสูงขึ้นภายในชีวิตของบุคคลผู้นั้นก่อให้เกิดเป็นชันทะอุตสาหะที่จะพยายามปฏิบัติกุศลธรรมำให้สูงยิ่งๆขึ้นไปได้และประการสุดท้ายคือเรื่องของปัญญาความรอบรู้ ซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วเป็นความรู้ในระดับสามัญทั่วไปได้แก่รู้สิ่งที่เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ซึ่งความรู้ทั้ง3มคู่นี้เป็นความรู้ที่มีความสําคัญมากสําหรับการประพฤติปฏิบัติของบุคคลในชีวิตประจำวันและปริมาณของความรู้ทั้ง3ามคู่คือบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์นั้น ก็เป็นปัจจัยเสริมส่งสนับสนุนให้บุคคลรู้ความจริงในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าความรอบรู้ในกองสังขารคือรู้ความจริงแห่งสังขารธรรมทั้งหลายว่าสังขารธรรมทั้งหลายนั้นไม่ว่าจะมีวิญญาณครองไม่มีวิญญาณครองจะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ตามนั้นล้วนเกิดขึ้นดำรงอยู่และเสื่อมสลายไปตามเหตุตามปัจจัย เมื่อบุคคลเกิดความรู้ความเข้าใจถึงความจริงแห่งสิ่งทั้งหลายโดยในยะนี้แล้วก็สามารถปฏิบัติตนให้เหมาะให้ควรในชั้นของการสมมุติและในชั้นของความจริงอย่างแท้จริงได้ชื่อว่าเป็นการยึดถือไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าตัวปัญญานอกจากจะทำหน้าที่ของตนด้วยตนเองแล้วยังทำหน้าที่ในการเสริมสร้าง ศรัทธาให้มั่นคงขึ้นภายในจิตใจสามารถตัดสินวินิจฉัยได้ว่าอะไรควรเชื่อและอะไรไม่ควรเชื่อแม้ในการรักษาศีลปัญญาก็จะเข้าไปชําระศีลให้มีความบริสุทธิ์ขึ้นสามารถวินิจฉัยตัดศินตัดสินได้ว่าศีลที่ตนรักษาไปนั้นถูกต้องบริสุทธิ์เหมาะสมหรือไม่ทรงตามเจตนารมณ์ของการบัญญัติศีลแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคย่าหรือไม่และการรักษาศีล ของบุคคลที่ประกอบด้วยปัญญาจะไม่มีความงมงายความยึดติดในรูปแบบจนศีลนั้นคุ้มครองกายวาจาของบุคคลได้เองโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีเจตนาวิรัติสำรวมงดเว้นก็ได้ก็ะจะเกิดขึ้นเองอาการกายวาจาของบุคคลจะเป็นศีลไปเองและในด้านของสุตะก็ต้องอาศัยปัญญาเข้าไปวินิจฉัยเข้าไปตัดสินสุตะ เพราะสิ่งที่บุคคลได้ศึกษาได้สดับสับฟังมานั้น <_' S 1> ก็มีอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยที่เป็นเรื่องไร้าสาระไม่มีผลประโยชน์ในการที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติถ้าขืนไปหลวมตัวเข้ายอมรับนับถือข้อปฏิบัติเหล่านั้น <_' S 1> ก็จะเป็นการพราดพลานเวลาแห่งชีวิตของตอนให้สูญเสียไปโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรตัวปัญญาจะเข้าไปชาระให การศึกษาสดับสับฟังของตนถูกต้องดีงามสมบูรณ์เหมาะสมในการที่จะแยกที่จะรวมที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติแม้ในเรื่องจากะคือความเสียสละก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันผู้มีปัญญาเวลาเสียสละจะต้องเสียสละด้วยปัญญาคือด้วยเหตุด้วยผลข้อนี้ท่านแสดงไว้ว่าการใคร่ครวญพินิษพิจารณาเสียก่อนแล้วให เป็นข้อปฏิบัติที่ประฐ า, าโคตเจ้าสรรเสริญการปฏิบัติธรรมะทุกอย่างในพระพุทธศาสนาจึงต้องอิงอาศัยปัญญาอยู่ตลอดไปสมเด็จพระศกกรีนครินทราบรมราชนานีนั้นทรงประกอบด้วยเทวธรรมทั้งห้าประการนี้ทรงมีศรัทธาเลื่อมใสมั่นคงในพระพุทธศาสนาเมื่อเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นต่างๆนั้น นอกจากจะแจกจ่ายเข้าของที่มีความจำเป็นยารักษาโรคและการรักษาคนเจ็บป่วยเป็นต้นแล้วจะมีหนังสือธรรมะเพื่อชี้ทางในการประพฤติปฏิบัติไปแจกจ่ายแก่บุคคลเ่านั้นทรงสมบูรณ์ด้วยศีลในฐานะของอุบาสิกาในพระพุทธศาสนามีความรอบรู้ในวิชาการต่างๆทั้งฝ่ายคดีโลกและฝ่ายคดีธรรม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทรงประกอบด้วยคุณธรรมคือความเสียสละเป็นอย่างสูงเสียสละทั้งในรูปสมบัติในในในรูปวัตถุธรรมทั้งหลายทรงเสียสละทั้งในด้านความสุขสบายส่วนพระองค์และเสียสละสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้ทรงกระทำความดีต่างๆได้ทรงดํารงชีวิตอยู่ด้วยปัญญา เป็นประทีปสองทางในการดำเนินชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนทั้งหลายให้ลองน้อมนำมาพิจิตรพิจารณาตรวจสอบดูใจของตนเองว่าคุณธรรมที่ทำคนให้ไปบังเกิดเป็นเทวดาก็ดีและคุณธรรมเหล่านั้นซึ่งมีอยู่ในองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนิยก็ดีนั้นภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติจเจริญ เทวตานุสตินั้นก็มีธรรมะอยู่เช่นนั้นเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าธรรมะเหล่าใดยังมีความบกพร่องอยู่ก็เพียงพยายามเสริมสร้างธรรมะเหล่านั้นให้บังเกิดขึ้นโดยอาศัยหลักคือปัญญาเข้าไปชำระศรัทธาอย่าให้ความเชื่อนั้นไปตกอยู่ในฝ่ายที่ก่อให้เกิดความมัวเมาลุ่มหลงไร้าสาระ แต่ให้ยึดมั่นอยู่ในหลักการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ไม่ทำความคิดของตนให้สับสนไปตามเรื่องที่คนอื่นเขาพูดกันมีปัญหาข้อข้อข้องใจอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นก็มีการสอบทานกับหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ซึ่งอาจจะทำได้โดยการสอบถามการตรวจสอบจากคำพีในพระพุทธศาสนาเป็นต้น ดูว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างไรก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้นเพราะคนอื่นเขาจะพูดอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าในฐานะที่เป็นพุทธมามะกะเชื่อการศัสรูของพระพุทธเจ้าธรรมะเหล่านั้นพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยประญาณของพระองค์ก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงแสดงไว้ก็จะได้หลักในการดําเนินชีวิตที่ไม่ ง, อ น, งนอนแง่งคลอนแคลน ไม่วันไหวไปตามปัจจัยต่างๆที่แวดล้อมตนอยู่ในชีวิตประจําวันศรัทธาที่บังเกิดขึ้นมาในลักษณะนี้ก็จะเสริมสร้างความผ่องใสให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนและในขณะเดียวกันก็ตรวจสอบดูศีลซึ่งได้สมาทานไปและรักษาอยู่ในชีวิตประจําวันซึ่งบางท่านก็ได้รักษาในรูปของนิจศีลคือถือศีลทั้ง5ประการเป็นนิต ตรวจสอบดูศีลของตนเมือ่อตรวจสอบไปก็จะกลายเป็นศีลานุสติในตอนนี้อีกด้วยตรวจสอบดูสุตะคือการศึกษาการสดับสัมฟังของตนว่าสิ่งที่ศึกษาสดับสักฟังมานั้นสามารถแยกได้ไหมว่าอะไรเป็นสิ่งที่ต้องรู้ไว้เพียงอย่างเดียวอะไรเป็นสิ่งที่จะต้องละอะไรคือเป้าหมายในการประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิต และบุคคลจะลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมะข้อไหนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้นหรืออย่างน้อยที่สุดก็สามารถแยกได้ว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปอะไรเป็นคุณเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เพราะในชั้นของการแบ่งแจกธรรมะนี้ผู้ปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่าบางเรื่องแม้มีคุณความดีในฐานะหนึ่ง แต่ถ้าถ้านำไปใช้ในฐานะหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาได้เช่นในคราวที่ต้องปฏิบัติภารกิจประจาวันแต่ไปนั่งกรรมฐานเสียอย่างนี้ซึ่งตัวกรรมฐานเองก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์แต่ในขณะนั้นเป็นการปฏิบัติภารกิจประจาวันอยู่ก็ต้องปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นเป็นต้นการใช้ปัญญาชําระศรัทธาชําระศีลชําระสุตะและชําระจาคะ ซึ่งจะต้องประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นจะช่วยให้บุคคลตรวจสอบมองดูความยิ่งความจอดแห่งธรรมะเหล่านั้นภายในจิตใ จ, จของตนเห็นว่าธรรมะข้อใดยังมีความบกพร่องก็ต้องอาศัยปัญญาเข้ากากับเข้าตรวจสอบโดยไม่ลำเอียงเข้าแก่ตนเองเข้าข้างตนเองในขณะเดียวกันก็เพียรพยายามเพิ่มภูนให้สูงขึ้นเมื่อบุคคลปฏิบัติได้ดังนี้ ตัวปัญญาจะเป็นประทีพส่องทางชีวิตให้บุคคลดำเนินไปได้ตามหลักของเทวธรรมตามแนวที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีได้ยึดถือประพฤติปฏิบัติมาทั้งเป็นการบูชาต่อพระองค์ท่านและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือในฐานะของพุทธมาาม ก, การนั้นได้ชื่อว่าเป็นการบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจา้าและตัวของผู้ มีธรรมะทั้งหาประการนี้เองเล่าก็ได้ชื่อว่าประกอบด้วยเทวธรรมคือธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นเทวดาในปัจจุบันด้วยอัตภาพที่เป็นมนุษย์นี้เองแต่ว่าพื้นฐานมาฐานความประพฤติและจิตใจของตนกลายเป็นเทวดาในโลกมนุษย์จะช่วยให้บุคคลผู้นั้นมีความปราบรื้มปีติปราโมชสามารถยกระดับชีวิตให้สูงยิ่งย่งขึ้นไปได้ ตามหลักธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ดังนั้นหลักการของเทวตานุสติที่ทรงแสดงไว้นั้นจึงเป็นกรรมาฐานที่อํานวยผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติในชั้นนั้นๆคือในชั้นที่เป็นปริยัติก็จะเห็นหลักธรรมที่จะนําบุคคลให้เป็นเทวดาได้ในชั้นของการประพฤติปฏิบัติ ก็จะช่วยให้บุคคลน้อมนำธรรมะทั้งห้าประการนั้นขึ้นมาเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตนเองสัมผัสกับความเป็นเทวดาโดยทัปในชีวิตปัจจุบันนี้และเมื่อบำเพ็ญภาวนาไปความสงบในด้านจิตใจก็จะบังเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิในชั้นนั้นๆคือมีความเป็นสงบช่วงขณะหนึ่งที่เรียกว่าคณิกะสมาธิ และสงบที่สูงขึ้นไปที่เรียกว่าอุปจารสมาธิจนถึงอัปนาสมาธิคือความสงบที่แน่แ น, แ, นแน่ได้เช่นเดียวกับกรรมฐานข้ออื่นต่อไปนี้ล้วขอให้ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ตั้งใจทำความสงบตามหลักกรรมฐานที่แต่ละท่านได้ถนัดปฏิบัติจูและขอให้พร้อมใจกันน้อมอุทิศกุศลถวาย แต่สมเด็จพระศรีนครินทรรารบรมราชชนีสถาันพระมหากษัตริย์ประชาข้าราชการและสรัรพสัตว์ท่างายในโลกนี้เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างไม่มีเวรไม่มีภัยมีความสุขตามสมควรแก่อัตภาพฐานะของตนโดยทั่วกันก็ให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป